หลวงพ่อให้ปิดประตูเพราะว่าตอนเทศนะคนยงเดินเข้ามาเนี ย, ย น, นะเกเกกลังกหันซ้ายหันขวาสมาธิพวกเราจะเสียธรรมะมันเป็นของประณีตของละเอียดถ้าเราไม่มีสมาธิพอฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังก็ได้แต่คิดคิดจำจำนะ มันล้างกิเลสไม่ได้ธรรมะที่ล้างกิเลสได้ต้องเป็นธรรมะที่มันเข้าถึงใจใจเราต้องตั้งมัน่นมีสมาธิดีๆก่อนถึงจะรองรับธรรมะได้เหมือนอย่างแก้วน้ำเนี่ยเราจะเทน้ำลงได้แล้วต้องถือให้ดีหน่อยถ้าแกว่งไปแกว่งมาเนี้ยน้ำก็หกหมด ใจเราแกว่งไปแกว่งมามันรับธรรมะไม่ได้ธรรมะก็หกบนงั้นเลยให้ปิดประตูไว้นี่บางคนมีปัญหาธาตุขันธ์ปวดอือปวดชี่อะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามออกไปได้มันทุกข์ทรมานเกินไปก็ไม่ได้ห้ามหรอก ตอนเปิดสอนใหม่ๆนะต้นเดือนสิงหาวิพันธ์มามาคนหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาจะเทศก็จะเข้ามาอีกหลายคนเลยลองเรียกพวกเพื่อนฝูงนไม่มีที่นั่งถ้าเข้ามาแทรกเข้ามาเนี่ยมันไม่มีการม่ระยะห่างแล ถึงไงเราก็ต้องระวังไว้ก่อนอย่าเพิ่งกาดตกประเทศอื่นๆหนักหนาสาหัสอยู่เข้ามาเมืองไทยเอาเชื้อเข้ามามีเรื่อยๆตรวจเจอทับทุกวันแต่กักตัวไว้ะนะกักตัวไว้สิบสีว่วันแล้วก็ตรวจเจอวันละคนสองคนบางวันละห้าคน โรคมันยังรุนแรงอยู่อินเดียอนี้ก็ใกล้ๆเราบางวันคนติดเชื้อใหม่ๆนะทั้งเก้าหมื่นกว่าคนนั้นเรายังเพลือไม่ได้ประมาทไม่ได้หรอกเกิดหลงเข้ามาสักคนสองคนนะมาแพร่ได้อีกอย่างน้อยก็พยายามใส่หน้ากา ก, ากเอาไว้ ไม่คลุกคลีกันในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยพวกเราบางคนมาได้ดีบางท่านะได้ดีเลยพเพราะไม่มีเวลาไปยุ่งกับคนข้างนอกมีเวลาอยู่กับตัวเองมากก็ภ า, าวนาไปาใจมันจะไปคิดมีสติรู้ทันไม่ลงคิดต่อแค่เห็นมันจะคิด รู้ทันมันความคิดกะดับจิตธอตั้งมั่นขึ้นมาดูแล้วดูอีกไปจนใจจิตใจมันเข้าใจความจริงขึ้นธรรมะไม่ใช่ของลึกลับธรรมะคือความจริงความจริงอะไรความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้น มันบังคับควบคุมไม่ได้จริงดันันเราต้องระมัดระวังตัวนี้เรียนให้รู้หลักอย่าไปเรียนว่าทำกรรมฐานแล้วอย่างไงจิตจะสงบจิตจะมีความสุขอะไรเงี้ยจะสว่างอยู่เฉยๆยอะไรนนั้นยังไม่ใช่เรียนต้องเรียนให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงของร่างกายจิตใจเราว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเรียนยังไม่ถึงตรงนี้เรียกว่ายังไม่ได้สาระแก่นสารจริงนะในการปฏิบัติต้องเรียนจนเห็นใตรลักษของใครของใจถ้าเราเห็นแล้วมันดียังไงถ้าเราเห็นแล้วเราจะไม่ทุกข์อย่างพวกเราบางคนเราบอกอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอกหักเป็นทุกข์จริงไหม อ, อกหักยังไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกถูกดา่าเป็นทุกข์จริงไหม่ยอยังไม่จริงเราต้องหลงไปในโลกของความคิดเสก่อนคิดไปคิดมาเป็นเรา อ, อกหักขึ้นมาเราสูญเสียเราอย่างโ น, น้นเราอย่างนี้ความทุกข์ทางใจมันถึงจะมีได้ถ้าหาก เรียนกรรมฐานมากๆนะเราเห็นความจริงแลกายนี้มันตัวทุกข์ใจนี้มันตัวทุกข์ยอมรับความจริงตรงนี้ได้มันจะไม่เกิดการดิ้นรนทางใจไม่ดิ้นรนหาความสุขไม่ดิ้นรนหนีความทุกข์ไม่ดินนนด้นรนอยากให้ของที่มันไม่เที่ยงต้องเที่ยงอย่างเรารักใครสักคนนัเราอยากให้อยู่กับเรานานๆอยู่กับเราตลอดไปมันอยู่ตลอดไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยง หรือเรามีความสุขอยู่เราอยากให้ความสุขอยู่ตลอดกาลเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะความสุขเองก็ไม่เที่ยงเนี่ยถ้าใจมันเห็นธรรมะนะมันรูว้ว่าทุกอย่างมีเกิดแล้วก็มีดับมันไม่เที่ยงทุกอย่างเนี่ยมันบีบคั้นร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นจิตใจก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ดังร่างกายเราเนี่ย สังเกตไปเรื่อยๆยนะเห็นนะมันทุกขอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ยังทุกข์เลยกลางคืนนอ น, นพลิกซ้ายพลิกขวานทั้งหลายสิบครั้งทำไมต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพราะว่ามันทุกข์เราขยับร่างกายเพื่อหนีความทุกข์ในร่างกายในจิตใจเราก็เหมือนกันนะมันก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา อยากขึ้นมาทีไรก็ทุกทุกทีค่อยๆสังเกตไปอยากทีไรก็ทุกทุกทีกกทกทกทกทแล้วความอยากทั้งหมดนะมันเกิดจากการไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้อย่างเรามีแฟนนะเราอยากให้แฟนรักเราเยอะๆต้องรักกันตลอดกาลไม่มีหรอกรักกันตลอดกาล ก่อนจะเป็นแฟนกันมันก็รักแบบหนึ่งเป็นแฟนกันมันก็รักไปอีกแบบหนึ่งแต่งงานกันแล้วมันก็รักไปอีกแบบหนึ่งแต่งไปหลายๆปีมันก็รักไปอีกแบบหนึ่งรักไปรักมากลเป็นแค้นเลยก็มีนั้นมันไม่เที่ยงหรอกเราอยากได้สิ่งซึ่งเที่ยงทั้งทั้งที่มันไม่มีอยากได้ของซึ่งไม่มีวันมีมันจะทุกข์หมันจะสุขล่ะ อยากได้ของซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้มันทุกข์นะเนี่ถ้าใจมันเห็นความจริงว่า อ, อะไรๆก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็บังคับไม่ได้อะไรๆก็ไม่ใช่ของดีของพิเศษกําลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปอยู่ตอลอดเวลาเนี่ยใจเห็นธรรมะนะใจเห็นความจริงธรรมะไม่ใช่อะไรก็คือความจริงนั่นแหละเห็นความจริงสูงสุดความจริงที่สูงสุดเร้ว่อาอริยสัจ ถ้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแลอริยส mm ัจสี่เริ่มต้นได้งแต่ทุกขสัจทุกขสัจไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกข์นะอกหักยังไม่ไม่ทุกข์หรอกต้องไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นในความจำอะไรของเรานียเราถึงจะทุกข์ขึ้นมาอย่าง พวกเราใครเคยมีคนที่เรารักเราตายบ้างไหมอย่างพ่อแม่เราตายใครใครมีเองยกมือให้ดูหน่อยสิทุกตลอดเวลาไหมตอนที่พ่อแม่ตายใหม่ๆทุกมากไหมทุกมากใช่ไหมแต่ทุกตลอดเวลาไหมไม่หรอกอย่างตอนวุ่นวายจัดงานศพเนี่ยนะไม่ได้คิดถึงแม่ที่นอนในโรงแล้ววุ่นวายรับแขกเนี่ยลืมคิดถึงคนที่ตาย เราจะไม่ถูกเพราะคนตายแล้วไม่ถูกแล้วเพราะใจไม่ได้ไปสาคัญมั่นหมายอะไรเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางใจมันเกิดเพราะใจเราเนี่เข้าไปสำคัญมั่นหมายอยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ของเป็นทุกข์มันเป็นสุขอยากให้ของบังคับไม่ได้มันบังคับได้ความอยากนี้มันเป็นความโง่ของเราก็าเรียกว่าอาวิชามันโง่ มันไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกมันโง่มันไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจไม่รู้ความจริงของขันธ์ห้าว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันยังโง่ อ, อยู่มันก็จะเกิดสมู ท, ทยัยพอเราไม่รู้ทุกมันก็จะเกิดสมู ท, ทยัยขึ้นมาสมูทัยก็คือตัวตัณหาตัวอยากเราไม่รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ผ่านมาแล้วผ่านไปเราก็มีความอยาก อ ย, อยากให้สิ่งที่เราชอบอยู่นานๆหรืออยากให้สิ่งที่เราชอบตอนนี้ยังไม่มีอยากให้มันมีขึ้นมานใจมันมีความอยากขึ้นมาสิ่งที่เราชอบมันมีแล้วเราก็อยากให้อยู่ตลอดกาลสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มันเกิดแต่เราห้ามมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็เกิดเกิดแล้วเราอยากให้มันหายไปเร็วๆมันก็ไม่หายเพราะเราสั่งมันไม่ได้ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูความจริงนะเราจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะรูปนามกายใจเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอ ร, รู้ความจริงแล้วมันจะหมดความอยากเดี๋ยวเมื่อไหร่รู้ทุกเมื น, นั้นละสมุทัยสมุทัยคือตัวตัณหาตัณหาคือความอยากเกิดได้เพราะความโง่เพราะวิาาวชาเพราะวิชาคือการไม่รู้อริยสัจสี่ งั้นถ้าเราไม่อยากโง่ไม่อยากถูกตัณหารากจมูกไปตลอดชีวิตนะั่นต้องมาเรียนรู้ให้เกิดวิชาเข้าใจความจริงของอญญริยสัจถ์ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เราจะพ้นทุกข์ได้แต่ไม่เข้าใจตัวนี้ยังทุกข์อยู่ไปทำจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบให้สว่างเฉยเฉยอันนั้นก็เป็นพบพบหนึ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็แตกสลายนะ งันไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยหรือในทางโลกหน่อยเรืนะ่งเราต้องอยู่กับคนเนี้ยคนเนี้ยเรารับถ้าได้อยู่คนนี้เรามีความสุขถ้าไม่ได้อยู่แล้วเราทุกข์เราอยากอยู่กับเขาตลอดลืมไปว่าเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับเราก็ได้นะอยากอยู่กับเราชั่วคราวแล้ว เ, เบื่อแล้วอยากไปที่อื่นเราห้ามได้ไหมใจคนอื่นใจคนอื่นเราห้ามไม่ได้เพราะใจเราเรายัางห้ามไม่ได้เลย ถ้าเราคุมใจเราได้เราจะไม่ทุกข์หรอกแต่ว่าเราคุมจิตใจของเราเองไม่ได้มันถึงทุกข์มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันอยากอยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ของเป็นทุกข์มันเป็นสุขอยากให้ของบังคับไม่ได้ให้บังคับได้ก็แค่นี้แหละเมื่อเราจะมาเรียนนะให้หายโง่มาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของใจ อย่างเรารู้ความจริงของร่างกายเราเองเนยะร่างกายเราเนี่ยไม่นานก็ตายเจอคนดีหรือคนเลวคนสวยหรือคนน่าเกลียดคนอายุมากหรือคนอายุน้อยไม่แน่ใครจะตายก่อนใครในร่างกายนะี่มีแต่ความไม่แน่เนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้นะัเราเห็นคนที่เรารักตายนะมันเคยเห็นแล้วกระทั่งตัวเราเองเนะี่ เรายังรู้ความจริงเราเลยตัวเราเองเดี i, ย๋ยวก็ต้องตายเรารู้ความจริงอย่างนี้นะคนที่เรารักตายเป็นเรื่องปกติความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วแหละตัวธรรมะเราเข้าใจความจริงแล้วความจริงก็คือมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องตายก่อนที่มันจะตายมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นพวกเราอย่างเงี้ยถูกความทุกข์บีบคั้น อยู่ข้าวทุกไหมกินข้าวอิ่มทุกไหมก็ทุกอีกนะกินข้าวอิ่มเกินไปก็ทุกอีกกินแล้วไม่ย่อยก็ทุกอีกนะกินแล้วไม่ขับถ่ายก็ทุกอีกงั้นร่างกายเราเต็มไปด้วยความทุกข์เนี๋ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆซ้ำซ้ำซ้ำลงไปทุกวันทุกวันร่างกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายนี้มีแต่ของเป็นทุกข์ร่างกายนี้มีแต่ของบังคับไม่ได้ เข้าใจร่างกายของเราเองมันก็จะเข้าใจร่างกายคนอื่นด้วยเริ่มต้นไม่แนะนำให้ดูกายคนอื่นดูกายตัวเองไว้ดูกายคนอื่นมันยั่วกิเลสไปเห็นสาวสวยอะไรอย่างนี้นะเห็นแล้วมันหลงชอบแทนที่จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางรู้สึกสวยๆถตัวถูกใหญ่ลงมาดูตัวเองสิมันสุขหรือมันทุกข์ดูตัวเองรับรอง ถ้าดูอยู่ที่ตัวเองยังไงก็เห็นทุกขนะ์เพราะความจริงมั น, มนทนสติปัญญาของเราไม่ไหวหรอกมีสติมีปัญญาสับฟอกลงไปในกายในใจเนี้ยเดี๋ยวก็เห็นนะกายนี้มีแต่ความทุกข์นะใจก็มีแต่ความทุกข์กายเราเกิดมาแล้วยังไงก็ทุกข์ทุกข์เพราะความหิวความกระหายนะความหนาวความร้อนความเจ็บป่วย ถูกทางร่างกายถูกทุบถูกตีถูกหมอฉีดยาบ่อยๆอย่างนี้นะทุกทั้งนั้นะจิตใจก็ทุกทุกครั้งที่มีความอยากร่างกายเนี่ยทุกเพราะเกิดมาแล้วเป็นวิบากแต่จิตใจเราเนี่ยสร้างกำใหม่ได้ร่างกายมันเป็นตัวกำเก่านะจิตใจเราที่ปรุง ชั่วปรุงดีอะไรเนี่ยมันเป็นกรรมใหม่เราปรุงขึ้นมาใหม่ๆตัวนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์เราปรุงแล้วเราก็เข้าไปยึดไปถือเราก็เลยทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะนวันหนึ่งปัญญามันเกิดไม่จะรู้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงหรอก ร่างกายเราที่ว่าดีที่ว่ามีเศษก็มีความถูกบีบคั้นตลอดเวลาไม่นานก็แตกสลายไปเหมือนที่ร่างกายคนอื่นเขาแตกสลายให้เราดูมาแล้วอย่างพวกเราอายุป่านนี้คงเคยไปเผาศพไปฝังศพมาหลายศพแล้วใช่ไหมมีใครไม่เคยไปงานศพเลยมีไหมไม่มีนะครอบครัวไหนไม่เคยมีคนตายมีไหม ไม่มีหรอกรุ่นตัวเรายังไม่ตายพี่น้องเรายังไม่ตายก็ถึงรุ่นพ่อแม่เร า, าปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็ตายก็ต้องมีไม่มีครอบครัวไหนะที่ยังไม่มีคนตายนความจริงมันอยู่ต่อหน้าต่อตายอย่างเงี้ยแต่เราไม่สนใจที่จะเรียนรู้เราก็หลงละเริงเราวันนี้ยังไม่ตายอะฉันยังไม่ตายหรอกอยังอยู่ได้อีก พวกเรารู้สึกไหมวันนี้เราจะตายเนี่ยคิดไหมใครเคยคิดบ้างเออหายากนะทั้งห้องย้งมืออยู่คนเดียวแหละอายุเออยอะแล้วไม่ค่อยคิดมากหน่อยอย่างหนุ่มอย่างสาวก็ไม่ค่อยคิดหรอกดูจิตดูใจนะร่างกายมันก็มีแต่ทุกข์จิตใจเราก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากลิ้มรสเดี๋ยวอยากรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวอยากได้อารมณ์ที่สนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขทางใจมีความอยากในหกช่องทางเราเคยเรียนตัณหาสามตัวใช่ไหมมีกรรมตัณหาความอยากได้ภาะวะตัณหาความอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากให้หมดไปสิ้นไปมีคำว่าตัณหานะี่มีอีกหมุมหนึ่งคือความอยากในรูปความอยากในเสียงความอยากในกลิ่นความอยากในรสความอยากในสัมผัสทางกายความอยากได้อารมณ์ทางใจได้อารมณ์ที่ดีได้อารมณ์มที่ไม่ดีงั้นถ้าจาแนกตามอายตนะเนี่ยตัณหามีหกตัว ถ้าจำแนกตามลักษณะของมันมันก็มีสามตัวลักษณะของตัณหาอันหนึ่งก็คือของไม่มีอยากให้มีของที่มีแล้วอยากให้คงอยู่หรือของที่มีแล้วอยากให้หมดไปนะรูปที่เราเห็นเราอยากเห็นรูปพอเราเห็นรูปแล้วมันเป็นรูปที่พอใจก็ อ, อยากให้มันอยู่ทีแรกอยากเห็นรูปอยากเห็นรูปเป็นกามาตัณหานะ อยากได้ยินเสียงก็กรรมตัณหาพอได้เห็นรูปได้ยินเสียงนะ้ชอบใจอยากให้มันคงอยู่ก็เป็นภาวะตัณหาไม่ชอบใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเป็นวิภาวะตัณหางั้นในหกช่องเนะี่ยแต่ละช่องอนะมีตัณหาได้สามแบบรวมแล้วได้สิบแปดอย่างสิบแปดชนิดเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นหรอกเราใครรู้เท่าทันความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ไปเรื่อย อย่างนั่งอยู่เราคันนะอยากเกานะเกาคั น, นอยากจะเห็นไหมพอหลวงพอ่พ อ, พ, อพูดเ ร, ะนะพ เ, รเรื่องขันแล้วพวกเราเริ่มขันละรู้สึกไหมเมื่อกี้คันแต่ว่าจิตมันไม่เข้าไปจับจิตมันกำลังสนใจธรรมะอยู่ยุงกัดยังไม่รู้เลยนะงูเลื้อยมายังไม่เห็นเลยเนี่ยเฝ้ารู้นะเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆ รู้ความจริงเมื่อไหร่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแนละ้วความอยากมันจะไม่เกิดไม่ว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทัยก็ไม่เกิดสมูทัยถูกละไปเลยการละสมูทัยทำได้หลายแบบนะอย่างหยาบๆยาบคือมันอยากขึ้นมา้พยายามไปข่มใจไม่เอาไอ้อย่างนี้ลาไม่ได้จริงอย่างเราอยากกินข้าว สมมติอยากกินข้าวหมูแดงนะสมมติเห็นข้าวหมูแดงแล้วไม่กินนะอันเนี้เราละความอยากได้ไหมละไม่ได้แต่เราบังคับใจตัวเองความอยากก็ยังอยู่นะข่มใจตอนข่มใจไม่กินอะ่ะมันก็ยังอยากกินอยู่นะมันข่มอยู่งั้นวิธีสู้ตันหาด้วยการขม่มเอนใช้ไม่ได้อย่างศาสนาอื่นนะ เขาสู้กิเลส ต, ตันหาเหมือนกันนะด้วยการขมมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนมันอยากนั่งสบายๆก็นั่งมันบ น, น้นาเลยเนะี่ยทรมานมันไปเรื่อยๆไม่ตามใจกิเลสไม่ตามใจกิเลสจริงๆก็คือตามใจกิเลสนั่นเองกิเลส ต, ตัวไหนกิเลสคือความคิดความเห็นแบบโง่ๆของเราเองว่าอันนี้คือทางผลทุกข์ ความไม่รู้ของเรานี้ไม่รู้ว่ามรรคที่ถูกต้องนั้นคืออะไรก็ใช้วิธีบังคับตัวเองเนาะบังคับมันไม่ได้ช่วยให้พ้นตัณหานะแต่มันมีตัณหาที่จะละตัณหานะบางคนที่ใช้วิธีสนองสนองแล้วหายไหมหายแต่หายชั่วคราวเดียวตัณหาใหม่จะเกิดอย่างเรานะมีแฟนคนหนึ่งนะ เราอยากได้อีกคนหนึ่งนะนะหรือเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งนะเราก็ไปจีบเขาตอนที่ลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้นะมันก็ทรมานใจนะนะพอได้มาตอบสนองแล้วสบายใจใช่ไหมความทุกข์เพราะอยากได้หายไปแล้วงันการตอบสนองนะมันก็ช่วยแก้แก้ปัญหาได้นิดหน่อยเพราะประเดี๋ยวมันก็เกิด ตัหาอื่นขึ้นมาแทนไอ้จีผู้หญิงคนนี้ได้แล้วอยู่มาพักหนึ่งเบื่อแล้วอยากให้หายไปอยากเกิดวิภาวะตันหาอยากให้มันหายไปมัร้ายละเกินอย่างเงี้ยไม่น่าเลือกมาเลยไปเห็นคนอื่นอยากได้อีกละวะฉั้นความอยากเนี่ยรเราก็ได้เจ้าถึงบอกว่าเหมือนมหาสมุทรมหาสมุทรไม่อิ่มน้ำเอาน้ำใส่เข้าไปรับน้ำได้ตลอด พ่วงน้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีคว้างขวางใหญ่โตอยากอย่างนี้สนองมันไปมันก็อยากอย่างน้นต่อเพราะฉะนั้นการสนองความอยากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องตันหาได้อย่างแทจ้จริงวิธีของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สุดต่งสองข้างข้างที่กดข่มจิตใจตัวเองไว้ไม่สนองมันนะนะเป็นอัตตะกิลมถายยโยก ทรมานใจตัวเองทรมานกายตัวเองขั้นที่ตอบสนองมันไปเป็นการสุขขลิกานโยกตามใจกิเลสไปมีความสุขได้แต่มันไม่อิ่มกิเลสเนะีสนองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มค่อยๆดูลงไปวิธีของพระธเจ้าไม่สุดต่งสองข้างนี้ไม่ข่มตัวเองจนเครียดไม่ปล่อยตามใจกิเลส ทางสายกลางที่ท่านสอนไว้นะคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาค่อยๆฝึกตัวเองรักษาศีลไว้ฝึกจิตฝึกใจให้มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวตอนนี้จิตใจฟุ้งซ่านทำความสงบวิธีทำให้ใจสงบก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วให้เกิดกิเลส เป็นอารมณ์ที่มันดียังคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไม่ทำให้เกิดกิเลสหรอกนะคิดถึงความตายนะแต่ตรงนี้ถ้าไม่ระวังนนะกิเลสแทกก็ได้คิดถึงร่างกายมันไม่สวยไม่งามมันไม่ดีอะไรเงี้ยเจริญกายคตาสติไนะบางคนมีจิตสงบนะบางคนเกลียดร่างกายฆ่าตัวตายเลยนะสมัยพุทธกาลเนีย มีครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านคิดนาแล้วพระกลุ่มนี้มีวิบากยังไงก็หนีกรรมไม่พ้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แก้กรรมเลยนะท่านรู้เลยพระกลุ่มนี้มันจะต้องฆ่าตัวตายท่านจะสอนเรื่องกายให้สอนกายยตาสติให้นะเราเสร็จแล้วท่านก็ิกเล่นออกมาจากที่นั้นพวกพระ เจริญกยายกตาสติไปแล้วก็เกิดความเกลียดชังร่างกายพระที่เกลียดชังร่างกายเนี่ยไม่รู้วิธีที่จะจัดการฆ่าตัวตายพวกที่เคยฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยมันจะฆ่าตัวตายอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเพราะฉันเราทุกข์อยู่ในโลกเนี้ยอย่าไปฆ่าตัวตายทุกข์อยู่ในโลกเนี่ยมันทุกข์ไม่นานหรอกทุกสปีสองปีทุกนิ่มก็หาย ไม่มีหลอกทุกตลอดการไม่มีไปค่าตัวตายครเนี้ทุกนับไม่ท้วนเลยเคยมีโยมคนหนึ่งนะบ้านเป็นเถวเฮากลางคืนนอนอยู่ในบ้านตัวเองกนะ็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านไปนะเดินสูงกลักพื้นคืบหนึ่ง เขาเห็นด้วยใจนะไม่ได้เห็นด้วยตาผู้หญิงคนนี้บ้านอยู่ใกล้ๆกันห่างไปห้าหห้องอะไรเงี้ยสี่ห้าห้องค่าตัวตายเดินร้องไห้ไปเรื่อยๆเยนี่ยแล้วม่จะต้องทรมานอยู่กันนะไม่รู้กี่ปีนานแสนนานเลยที่จะต้องจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้นานแสนนานเลยต่อไปไปเกิดอีก เวลามีความทุกข์ขึ้นมาอีกมันเคยชินที่จะฆ่าตัวตายไม่จะฆ่าอีกเะฉะนั้นฆ่าแล้วก็ฆ่าอีกอยู่อย่างัง้นเละเงินทุกข์เราก็อย่าไปฆ่าตัวตายนะทุกข์อย่าไปทํำมันจะทุกข์ซ้ําซากไม่หายวิธีที่จะไม่ถูกก็เรียนรู้ความจริงลงไปอย่างผู้หญิงนั้นทะเลาะกับสามีทะเลาะกับสามีถ้าเรียนรู้ความจริงก็คือ ในโลกนี้เราไม่ได้ทุกอย่างหรอกไม่มีอะไรที่เราครอบครองได้ทั้งหมดหรอกเนี่ยถ้าใจมัยอมรับความจริงตรงนี้ได้มันจะไม่ทุกข์มากไม่ถึงฆาดตัวตายแต่ถ้าภาวนาดีๆจริงๆมันจะไม่ทุกข์นะถ้าภาวนาพอเป็นก็ทุกข์น้อยหน่อยภาวนาไม่เป็นก็ทุกข์เยอะนี่ค่อยๆหัดดูความจริงไปดูความจริงในร่างกายดูความจริงในจิต ใ, ใ, ใจตัวเองไป ผู้หญิงนั้นนะ่ะเก็บเงินไว้ก้อนนึงที่เขาฆ่าตัวตายนะเราอยากมีบ้านของตัวเองบ้านเป็นหลังๆก็ไม่มีกำลังซื้อชวนสามีนะมีเงินเท่าไหร่มาทุ่มวางดาวได้ห้องมาห้องหนึ่งแถวเฮาเสร็จแล้วส่งให้ไหวเนี่ยความอยากมันล้ำหน้าไม่ได้ประเมินกำลังของตัวเอง ส่งไม่ไหวนะบ้านก็เลยจะถูกยึดสามีก็โกรธว่าห้ามแล้วก็ไม่เชื่อดื้อโลภมากสามีก็โมโหนะหนีไปเลยเจมีออยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไงแล้วบ้านก็จะถูกยึดแล้วะรายได้อะไรก็ไม่มีแล้วเลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไม่พ้นทุกข์นะ มีแต่ทุกมากขึ้นทุกข์นานขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะความอยากเริ่มแต่อยากได้บ้านที่มันเกินฐานะความอยากมันปิดบังสติปัญญาไม่รู้ว่ากําลังของตัวเองมีได้แค่ไหนนีความอยากมันล้ําไปนี่ถ้าเราเปนนักปฏิบัตินะความอยากเกิดขึ้นในใจเรารู้เนี่ยดูไปสิความอยาก ไม่ต้องสนองมันไม่ต้องห้ามมันเราแค่มีสติรู้ทันใจที่อยากทันทีที่เรารู้อย่างเป็นกลางนะมันจะดับเองโดยอัตโนมัติเพราะตัวความอยากนะั้นมันคือตัวโลภะเจตนาเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งเป็นโลภะเจตนาที่มีกำลังแรงกลายเป็นตัวตัณหาตัณหาที่มีกำลังแรงกลายเป็นตัวยึดถือคือตัวอุปาทาน กานตัวรักเง่าของมันจริงๆก็คือตัวโลภะนี่ถ้าเราเห็นใจเราโลภเรารู้ใจเราโกรธเรารู้ใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ใจเราหดหู่เรารู้ถ้าไปเวลาใจมันอยากขึ้นมามันก็จะรู้เองนะแล้วทันทีที่รู้ด้วยความเป็นกลางนะความอยากจะดับพอความอยากดับมันจะเหลือสติปัญญาอย่างเราอยากเล่นหุ้นอยากได้เงินนะ อยากเล่นหุ้นอยากได้เงินจะแทง เ, เขาเรียกอะไรไม่เรียกแทงหนระมันไม่ใช่หวยเขาเรียกอะไรจะไปลงทุนซื้อหุ้นตัจะไปซื้อหุ้นเออนะความอยากมันบงังนะไม่ได้รู้เลยว่าสถานการณ์กำลังจะเป็นยังไงอนะไรย่างเงี้ยคิดว่าเจ๋งนะหรืออย่างคนเล่นแช์เมื่อก่อนนะมีแช์ดังนะโอ้ยคนเล่นกันเป็นล้านๆเลย คนเล่นรุ่นแรกๆนะกำไรเอาเงินไปให้เขาล้านหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเขาคืนให้แสนหนึ่งละ้ะเอามาจากไหนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเอาจากคนที่มาส่งแชร์ที่หลังนะเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยให้แชร์คนแรกเล่นอย่างนี้นะทั้งบ้านทั้งเมืองเลยถึงจุดหนึ่งไอ้คนท้ายเนะี่ยมันไม่มีไม่ได้ทุนคืนล้มเลยในระนานะ บางคนนะตอนนั้นมีข่าวเลยนะเราไม่เอ่ยชื่อเขารอกนะมีข่าวว่าแชร์เนี้ยไม่นานเนี้ยจะล้มเพราะว่าไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรทั้งสิ้นเลยใจเดอบี้สูงผิดธรรมชาติมากต้องเอาเงินมาของคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยัยคนนี้ก็ฉลาดนะบอกว่าใครไม่ไว้วางใจนะให้มาถอนคืนได้เลย เอาเงินมากองเป็นตั้งๆเลยนะมามากเอา้าคนนี้มาก็จ่ายจ่ายจ่ายนะขนเงินมาตั้งๆไอ้พวกที่มาเห็นนะหลังเละใจเลยเฮ้ยอีกสักเดือนหนึ่งนะใช่ไหมได้อีกเยอะเลยนะเขายังไม่ล้มหรอกเขายังมีเงินเยอะแล้วพวกนั้นก็คือพวกล้มเลยนะโดนเขาหลอกนะนี่เดียวนะไม่ถอนคืนละลงทุนเพิ่มอีก มีโอกาสกาไรเขาไม่ล้มแน่เนี่ยทําไมตกเป็นเหยื่อเพราะว่าตัณหาเพราะอยากความอยากมันปิดบังสติปัญญาไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งสิ้นเราเป็นนักปฏิบัติเราก็อยากไปเป็นแม่งเมานะมีสติมีปัญญาจะลงทุนจะทําอะไรต้องฉลาดไม่ใช่ให้ความอยากนําหน้าเพะฉั้นในชีวิตเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ความอยากนําหน้า ให้สติปัญญามันนำหน้าเราวิธีก็คืออยากอะไรขึ้นมารู้ทันอยากอะไรขึ้นมารู้ทันกิเลสอะไรโลคหลดหลงอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ทันคอยรู้บ่อยๆไปต่อไปพอใจมันอยากปุ๊บรู้ปับเลยกือทั้งอยากภาวนาอยากบรรลุมรรคผลอยากภาวนาควรด้ภาวนาไหมควรเพราะอะไร โดยเหตุผลนะสมควรภาวนาเมืนะ่อเราภาวนาไม่ใช่เพราะอยากแต่ภาวนาเพราะมันมีเหตุผลนะนั่งอยู่เงี้ยมันเมื่อยเราอยากเปลี่ยนอิทยาบาตนะให้เรารู้ลงไปในร่างกายก่อนโอ้ร่างกายมันทุกข์นะก็เปลี่ยนอิทธิบาตไดนะ้เปลี่ยนอิทธิบาตเพื่อคลายความทุกข์ลงพระที่เจ้าไม่ได้สอนให้นั่งจมความทุกข์อยูนะ่ไม่งั้นปลาจะต้องกินข้าวทําไมฉันข้าวทํำไม ฉันข้าเพื่อลดเวทนาบำบัดเมทนางั้นมีความทุกข์ก็แก้ไปนะแต่ไม่ใช่คิดว่าจะหาความสุขจากกายนี้จากใจนี้ได้แต่มีความทุกข์ก็บำบัดไปตามสถานการณ์นี่ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆนะดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปวันใดที่เข้าใจความจริงของกาย เราจะหมดความอยากทั้งหลายในกายแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะกายวันใดเข้าใจความจริงของจิตใจเราจะหมดความอยากในจิตใจแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะเรื่องราวที่คิดเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะทางสายกลางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตามใจกิเลสแล้วก็ละตัณหาด้วยตามใจกิเลสข่มตัณหาด้วยการบังคับกายบังคับใจ อันนั้นไม่ใช่ทางทางคือทางสายกลางคือรู้อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเมื่อรู้แล้วนีความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์จะไม่มีนี่คือหลักที่เราจะต้องเรียนแล้วลงมือทำไปปฏิบัตินะสมควรแก่เวลาต่อไปก็ส่งกันบ้าน หมายเลขแปดครับปฏิบัติมาได้สี่ห้าปีตามดูรู้กายใจเห็นสภาวะผุดขึ้นกลางอกและเห็นไหวๆบางครั้งทุกข์มากถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าครับและขอคำแนะนำครับ <c oughs> ถูกที่ไหวๆกลางอกอะนะบางคนก็เห็นบางคนไม่เห็นไม่เป็นไร แต่ถ้าเราเห็นตัวนี้นะเราจะพบว่ามันไม่มีตรงไหนเลยที่มีความสุขจริงให้ไหวๆเนี่ยเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนเกิดตลอดเวลาหนีไม่ได้นี่เวลาดูพอจิตใจอ่อนล้าเหนื่อยที่พักมีที่เดียวเลยคือการทำสมถะที่คุณภาวนาก็ใช้ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ถูกตอนนี้เพ่ง บังคับให้นิ่งดูออกไหมเออรู้ทันแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วตามรู้ตามดูไปตอนไหนจิตเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ากลับมาทาสมถะเคล็ดลับของการทาสมถะแรกรู้จากเรื่องอารมณ์ที่อยู่ด้วยเรามีความสุขอารมณ์มันนั้น ต้องไม่เป็นไปเพื่อกิเลสน้อมใจไปรู้อย่างสบายๆไม่ใช่บังคับใจให้มันเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าบังคับนะไม่สงบใจไม่มีความสุขตัวที่ทำให้ใจสงบคือความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินถ้าเรารู้หลักนะต้อทำสลับไป ตอนนี้ควรทำสมถะก็ทำตอนนี้ควรทำวิปัสสนาก็ทำดูไปเรื่อยๆอย่าเกรงอย่าบังคับปล่อยให้มันเป็นแล้ว ร, รู้อย่างที่มันเป็นคนต่อไปหมายเลขสิบสามครับปฏิบัติในรูปแบบสม่ำเสมอดูกายบวกลมหายใจขนาดทำในรูปแบบดูกายเคลื่อนไหว จิตไหลแล้วรู้ในชีวิตประจำวันศีลดีขึ้นมากสติดีขึ้นคำถามปฏิบัติในรูปแบบเข้าใจว่าพอได้หลักที่ถูกต้องในการภาวนาแต่บ่อยครั้งมีอาการบีบหน้าผากเบ้าตา <c oughs> เหมือนมีคลื่นในหัว <c oughs> ทำให้ไม่แน่ใจว่ายังเพ่งอยู่หรือไม่เพ่ง <c oughs> ปฏิบัติผิดไหม ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพื่อปฏิบัติต่อไปครับเพ่งไม่เพ่งมันอยู่ที่เคยชินนะหัดใหม่ๆแล้ไม่เคยชินที่ยะเพ่งมันก็เพ่งห้ามมันไม่ได้หรอกเพ่งแลารู้ว่าเพ่งเอาแล้วถ้ามันตึงเครียดมากก็ทำใจให้สบายนะรู้สึกลงไปตรงที่มันตึงนะทำความรู้สึกที่ผ่อนคลายใส่มันอันนี้เป็นอุบายนะไม่ใช่หลักถ้าหลักก็คือ เคล่งเคลียดรู้ว่าเครงเครียดหลวงพ่อแต่ก่ อ, อนออก็เป็นเจอหลวงพู่ดูลใหม่ๆนะขนาดนั่งสมาธิแม้แต่เด็กนะพอหลวงพู่ดินบอกให้ดูจิตนะดูจิตจะปวดตาเลยปวดไปหมดเลยแถวนี้เราเราเคยชินกับคำว่าดูเนี่ยต้องใช้ตาไปดูจ้องจ้องปวดแก้ไม่หายก็ ร, รู้ มันเกิดจากเราอยากที่จะรู้ให้ชัดอยากรู้ตลอดเวลาอยากรู้ต่อเนื่องอยากรู้ไม่ให้คลาดสายตามาจากอยากทั้งสิ้นเลยเมอเรารู้ต้นต่อรู้ไปที่ความอยากความอยากดับการเพ่งก็ดับการเพ่งดับนะความตึงที่นี่ก็ดับค่อยๆดับไม่ดับทันทีหรอกเพราะมันเป็นเรื่องร่างกายไปแล้วเพราะ้เรารู้ทันใจที่อยาก แล้วการเพ่งมันจะลดลงค่อยๆลดลงติดอยู่ตรงนี้แหละยังติดอยู่ที่ภาวนาก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะยังติดเพ่งนิดหน่อยก็ไปแก้แก้ด้วยการรู้ตัณหานะรู้ทันตัณหาหมายเลขยี่สิบสองครับเมื่อสองปีก่อนส่งการบ้านหลวงพ่อ ท่านบอกว่าหนูติดสุขจะทำให้เนิ่นช้าก็เห็นตัวเองว่ามีความสุขได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติแบบมีความอยากนิพพานด้วยซึ่งก็เห็นตรงนี้และตอนนี้เข้าใจว่าเข้าใจวิธีปฏิบตัติปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก อ, มอยากลบกวนหลวงพ่อตรวจสอบวิธีปฏิบัติและข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะก็รู้ไปนะ รู้อย่างที่เป็นมันยกก้าวหน้าขึ้นมาเยอะแล้วละมันเพ่งรู้ว่าเพง่งมันเผลอรู้ว่าเผลอศัตรูมีสองตัวเองเผลอกับเพง่งนะทุกคนแหละอย่ตอนนี้จิตเผลอมันลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็รู้ทันรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆแต่ทุกวันต้องทำสมณทานะ ไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยก็ได้พุทโทรไปก็ได้ให้ใจมันได้พักผ่อนบ้างจเจริญปัญญารวดเดียวไปเนี่ยทำไม่ได้จริงหรอกเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านค่อยๆฝึกไปนะจิตไม่เข้าฐานรู้ว่าจิตไม่เข้าฐานตอนนี้จิตเข้าฐานไหมดูออกหรือเปล่าไม่เข้านะจิตไม่เข้าฐานรู้ว่าไม่เข้าฐานรู้อย่างที่มันเป็น จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้สิต ด, ดีจิตชั่วก็รู้การที่จิตเรามีความสุขบ่อยๆยไม่ใช่เรื่องผิดคนมันมีบุญ่ะมันก็มีความสุขอ่ะถึงพวกมีบุญนะภาวนายากนะมันจะขี้เกียจไม่อยากดูมากเดี๋ยวความสุขหายใ น, นคนไหนมีความทุกข์อย่าเสียใจนะความทุกข์เป็นทรัพยากรสําคัญของการปฏิบัติ เวลาเรามีความทุกข์เราจะขยันดูเวลามีความสุขเราจะเพลินแั้มีความสุขเนีไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่อย่าเพลินรู้ทันมันเข้าไปแต่ใจที่ติดสุขเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากรู้หรอกเพราะรู้แล้วความสุขมันดับงั้นมันติดความสุขก็ไม่อยากดูคนที่มีความสุขเยอะๆบางทีก็เลยไม่อยากภาวนากลัวความสุขหาย อย่ากลัวนะความสุขมันเป็นของหลอกเด็กมันเหมือนน้ำตาลนะเคลือบอยาพิดเอาไว้ความสุขที่เรารู้สึกว่าดีดีนะมันคือน้ำตาลที่เคลือบอยาผิดไหมยังไปหลงกินมันอ่ะต่อไปไหมายเลขยี่สิบสี่ครับ ลูกปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีประมาณสองสัปดาห์ก่อนขณะหลับไปแล้วปกติตอนนอนจะใส่หูฟังฟังย t ท b e หลวงพ่อรู้สึกตัวและเห็นเหมือนฟ้าแลบเป็นแสงสีฟ้าและตัวสารจนรู้สึกได้ว่าเด้งจากเตียงและได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกให้ท่องพุทโธ ท, ท่องไปสอถึงสามครั้งก็เปลี่ยนเป็นอิติปิโสจนสงบลง อยากถามหลวงพ่อว่าอาการดังกล่าวใช่จิตรวมขนาดหลับหรือเปล่าคะและขอทราบแนวทางปฏิบัติต่อไปค่ะก็ใช่อ่ะนะมันเป็นยังไงก็รู้มันไปเรื่อยๆที่ภาวนาเนี่ยถูกต้องแล้วนะดีแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสังเกตดูมันยังมีความรู้สึกว่ามีเราไหม ยังมีไหมเออดีที่เห็นนะบางคนนะมีทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงเลยนะนั่งสมาธิโเหมือนฟ้าผ่าเปลี่ยงองกันนะบางคนยกยกิเลดขาดไปด้วยบางคนเป็นนิมิตเฉยๆมัอยู่ที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเราสมบูรณ์พอไหมยังไม่พอเราก็พอวนางเราไปอีก หลับอยู่บางทีจิตก็เดินปัญญาได้เลยจิตเข้าสมาธิได้นะ่ะร่างกายนอนนี่แหละจิตมันไม่ได้หลับนะจิตมันยังภาวนาได้ก็มีนะที่ระเบิดเพลี่ยงปลางอะไรขึ้นมาก็ได้ส่วนเป็นแสงเป็นสีเป็นอะไรเนี่ยเป็นลาการของนิมิตนิมิตทางนั้นนะก็เป็นอาการของการที่จิตมันมีสมาธิขึ้นมาไม่ว่ามัน เฝ้ารูกายรู้ใจขอเราไปได้ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่เราก็ไม่เลิกดูปีหนึ่งฝึกได้แค่นี้เก่งมากๆนะใช้ได้เลยต่อไปหมายเลขยี่สิบหกครับเข้าใจว่าตนเองฟุ้งซ่านมากและบ่อยๆหลงไปอยู่อะไร อ, อะไรอะไรบ่อยน ะ, ะฟุ้งซ่านมากและบ่อยๆอ๋อบ่อยๆหลงไปอยู่กับความคิด ได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อหากฟุ้งซ่านมากให้ท่องพุทโธถี่ถี่ช่วงนี้จึงท่องพุทโธถี่ถีและเมื่อรู้ตัวว่ากาลังฟุ้งซ่านก็จะกลับมาพุทโธพยายามรู้ตัวให้มากระหว่างวันขอหลวงพ่อเมตตาแนะนําการภาวนาซึ่งตอนนี้ควรปฏิบัติและทำอย่างไรให้ถูกต้องให้จิตถึงฐานทำอย่างที่ทำนี้แหละ ทำไปเรื่อยๆมันถึงฐานนี่เองแหละเดินมาได้ดีแล้วล่ะใจเราฟุ้งซ่านเรารู้เราก็พุทโทรเร็วๆใจสงบพุดโธมันก็ชาลงเราก็รู้ทันไปพูดโธแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จเจริญเองแหละหมายเลขสามสิบเอ็ดครับกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีและปฏิบัติตามคําสอนมาตลอดมีจิตที่ฟุ้งมากหลงตลอดเวลาพอมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วนําปฏิบัติพอรู้สึกตัวจิตหลงจิตฟุง้งพอรู้บ้างรู้ว่าจิตไม่ถึงฐานจะใช้พุทโธและดูลมหายใจอยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ทําถูกต้องไหมคะถูกต้องละนะ ฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้สม่ำเสมอทำทุกวันนะฝึกไปเวลาเราอยู่ธรรมดายอย่างเงี้ยพุโทโธพุโทโธไปแล้วหายใจเข้าพุทออกโธอะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนขอแค่ว่าให้ใจมันมีเครื่องอยู่เท่านั้นแหละนะมีพุโทโธพุโทโธไปใจมันฟุ้งซ่านมันก็ดีไปคิดะเรารู้ทันว่าใจนีไปคิด พุโทโธพุโทโธนะพอมันฟุ้งซ่านแล้วใจลาคาญหุบหิดฟุ้งซ่านแล้วลาคานใจก็รู้ว่าลาคานพุโทโธพุโทโธไปจิตสงบมีความสุขรู้ว่ามันสงบเพราะว่ามันมีความสุขรู้อย่างที่มันเป็นนะพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเรารู้ไปสบายๆทาให้สม่ำเสมอนะตัวเนี้ยต้องใช้เวลาดี วันนี้ที่ส่งกันบ้านมานะใช้ได้ทั้งนั้นเลยดีมีฟงเยอะๆอยู่คนเดียวยังอยู่ตรงนี้นเบอร์อะไรจำไม่ได้แล้วหมายเลขห้าสิบหกครับฟังเทปการเทศของท่านจากยูทูบฟังมาสิบเดือนส่งการบ้านครั้งแรกทำในรูปแบบทุกวัน ไหว้พระสวดมนต์วันละหนึ่งชั่วโมงระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวแต่ไม่ได้บ่อยอตอนนี้ตัวเองเป็นยังไงและขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพื่อการพัฒนาตนต่อไปเมื่อสองเดือนก่อนล้างหน้าเงยหน้าขึ้นมาอมองเข้าไปในลูกตาตัวเองอในกระจกแล้วรู้สึกที่มองลงไปใครหรืออะไรไม่ใช่เรา เป็นอย่างนี้สองรอบอยากทราบว่ามันคืออะไรมันมีปัญญาขึ้นมานะมันเห็นความจริงมันจะเห็นความจริงของกายก่อนอย่างบางคนแปลงฟันอยู่นะะแปลงฟันอยู่นะไปอยู่เนี้ยมันรู้สึกเลยมือเนี่ยมันเป็นท่อนๆอะไรก็ไม่ใช่เราอย่างบางคนเดินชงกลมอย่างเคลื่อนไหวอยู่แล้วจิตมันมีสมาธิขึ้นมานะมันเห็นนะ ตัวที่เดินอยู่มันตัวอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เราหรอกเอยดูหน้าที่คนดูนะั้นมองตามันแล้วมัรู้มันตัวอะไรมันไม่ใช่เราหรอกการเห็นกายไม่ใช่เราเนะ่ไม่ยากนะแต่การที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอันนี้ยากถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอย่างแท้จริงมันก็จะได้ธรรมะแล้วแต่ตอนนี้ เริ่มต้นเห็นกายไม่ใช่เราก็ถือว่าดีมากแล้วภาวนาต่อไปทําต่อไปมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเนี๋ยวสติปัญญามันแก่กล้ามันจะรู้ตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีมันเห็นเองคิดเอาไม่ได้หมายเลขเจ็ดสิบคนสุดท้ายครับกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ ฟังแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อจาก YouTube มาประมาณหนึ่งปีกว่าเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะการปฏิบัติตอนนี้สวดมนต์และทำสมาธิในรูปแบบครั้งละประมาณสาสิบนาทีเช้าและเย็นระหว่างวันรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหายใจเป็นระยะบ้างค่ะกราบขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำชี้แนวทางและขอการบ้าน เพื่อปฏิบัติเพียรต่อไปค่ะที่ทําอยู่ถูกเรา ล, ลนะพอทาถูกแล้วก็ทําให้ให้มากๆเหมือนทําให้ต่อเนื่องทําบ่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็รู้สึกเอานะทํางานอยู่ว่างๆไม่ต้องคิดอะไรก็รู้สึกกายรู้สึกใจเอาถ้าตอนไหนทํางานที่ต้องใช้ความคิดมันรู้สึกไม่ได้เล็กนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆไม่ปล่อยให้เสียเปล่า เก็บไปเรื่อยๆแล้วการภาวนาเราจะก้าวหน้าเร็วหลวงพ่อนาถือเป็นพวกที่ภาวนาเร็วที่ภาวนาเร็วไม่ได้เก่งหรอกแต่เพราะอึดตื่นนอนมาก็ดูกายดูใจแล้วจะอาบน้ํำจะกินข้าวจะขับถ่ายดูกายดูใจจะไปทํางานขึ้นรถเมล์นั้นก็ดูกายดูใจไปตอนทํางานที่ต้องคิดดูไม่ได้ ตอนที่เบรกเช่นจะเดินไปห้องน้ำมันก็ดูกายดูใจดูอย่างนี้เก็บหมดเลยช่องว่างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ทิ้งมันชั่วโมงของการปฏิบัติในแต่ละวันของหลวงพ่อเนี่ยเยอะอย่างถ้าชั่วโมงหนึ่งเราภาวนาได้ห้านาทีนะสิบสองชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงละ ม, มีใครทำบ้างอะ ถ้าทำใชไมชั่วโมงที่ภาวนาเนี่ยมันจะเพิ่มแล้วถ้าเราภาวนาทั้งวันอย่างเงี้ยตอเราภาวนาในรูปแบบตอนกลางคืนเลยมันจะไม่นั่งหลับเพราะจิตมันมีกำลังแต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมาตั้งแต่เช้านะกลางคืนไ่นั่งสมาธิก็หลับเลยเพราะมันหมดแรงงั้นเราเก็บเล็กเก็บน้อยนะเก็บไปเรื่อยแการทาในรูปแบบนั้นก็จาเป็น ทำได้ก็ดีแล้วละ่ะปีกว่าๆภาวนา ม, มาได้อย่างนี้ถือว่าดีนะใช่ได้เนี่ยวันนี้ที่ส่งกันบ้านหลายคนเลยนะพี่บอกว่าภาวนาปีกว่ า, า, า, วาดีมากๆเลยยังรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะไม่ธรรมดานะเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนนะหลวงพ่อตะเวนดูสำนักปฏิบัติทั้งหลายนะ หาคนที่รู้สึกตัวได้นี่หายากจริงมันมีแต่คนหลงนั่งสมาธิก็หลงเพ่งตีนั่งสมาธิอยู่ก็หลงไิคิดมีแต่เรื่องหลงตอนนี้พวกเราฟัง youtube ดู u ูท b e หลวงพ่อเนะี่ยมันตื่นมันรู้มันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เห็นเหนนะ็นเห็นด้วยตัวเองว่ามันเปลี่ยนได้ ไม่ใช่เกิดมาเป็นวัวเป็นวายแล้วก็ตายไปอย่างวัวอย่างไว่นะเราภาวนาเกิดมาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มันจริงจังอย่าขี้เกียจทำให้ได้ทุกวันทำให้สม่าเสมอนะจิตเจมีพัฒนาการบินอยู่ชนรู้ด้วยตัวเองว่าพัฒนาหรือไม่พัฒนา ไม่เห็นต้องถามใครเลยหลวงพ่อภาวนานะมันเกิดมันแวกออกจากกลางอกนะสว่างขึนมาหลวงพ่อไม่ไปนั่งสงสัยนะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ ด, ดุลก็นะไปเล่าถวายท่านไม่ได้คิดว่าท่านจะต้องมารับรองอะไร แล้วให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านรู้ว่าการที่ท่านดำรงขันอยู่สอนธรรมะอยู่นั้นนะมีคนที่ตั้งใจปฏิบัติตามท่านอยู่ถึงยังโง่ยังเข่าอยู่แต่ก็ไม่เลิกนะต้องการให้ท่านเห็ น, หนตรเนี้ครูบาอาจารย์เห็นแล้วครูบาอาจารย์ก็ชื่นกชื่นใจนะเห็นลูกสิกขี่ยันภาวนา ส่วนจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรจะเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันดูที่ตัวเองได้ว่าเราล้างกิเลสได้จริงแค่ไหนถ้าล้างกิเลสแล้วยังพลุพลุพอยู่มันก็ยังไม่ใช่ของจริงถ้าล้างกิเลสแล้วกิเลสตายสนิทนนะไม่เกิดอีกโดยไม่ต้องรักษาก็ค่อยน่าเชื่อหน่อยบินยูชนจะรู้ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปถามใครหรอกอสมควรแก่เวลานะเชิญ